คำว่มมาลิพุตธบริสทัทธ์ททาจาึง ม, มิจิตของพระโธิสัตวยอมไม่ขึ้นอยู่กับชาติชั้นวรรณะไม่ขึนน้นอยู่กับความรู้ถึงต่ำไม่ขึ้นอยู่กับความมาคีมมมความสม และไม่ขึ้นอยู่กับคำว่าออเป็นหญิงเป็นชายแต่ขึ้นอยู่กับคาาความเชื่อมัน่นในหลักธรรมซ่เป็นความจี่งที่พระองค์ประกาศถ้าจะทํานตื่สนใจมเมื่อเกิดปฏิบัติแล้ไขกลม มือนหลักสำคัญของจิตบริันธ์จะเป็นพุทธสุก็ตามสามเณรก็ตามอุบาสกอุบาลสิกาก็ตามถ้าเป็นผู้มีรัทนาความเชื่อมัน่นในหลักของการกระทาของตนว่าทำดีต้องได้ดีทาชั่วต้องได้รับผลชั่ว คือเป็นคุมสปัญญาที่รักธรรศาสละวิลัมวิลาสละภับสมบัติมีค่าสละทั้งรวดเนื้อชีวิดใจม่งไปสู่จิตใจกาง ในสังคมของกษษษษระพุทธตานาโดยไม่ส่องเชื่อใดดิงที่มีคุณภาพทั้งหลายแย่ภายในตัวของเรากกอบและอำนาจแนศรัทธาความเชื่อมัน่นจะเป็นก็ยอมจะตายก็ยอมจะหมดจะก็ยอมจะยังก็ยอมจะทุกข์จะลำบาก จะจัดเท่าไหร่ก็อยอมเพื่อกำรรคือการกระทำดีของตนมีคือว่าหลักการกุศลประสริทุกๆตัวเทศจะต้องดำเนินขึ่นั้นคือทีะละามาบวชในพระพุทธศาสนา จะตรองมีควาตามตรงนรงพระเปะนน็เมืนข้อตาหรือปฏิญญาตนเป็นญาติศกตรูาติข้อต่างเล่นแลวแฝดเป็นตุ้ตมศรัทธาเชื่อมั่นไม่เช่นนั้นไม่สามารถจัดตละออกได้จเป็นสมบัติเงินทองเข้าค้องมากน้อย ลวนแล้วจะออกจากสัตาซึ่งมีปัญญาเป็นเพื่องไก่กรงดูเหตุผลอันจะเกิดขึ้นจากการกระทาเพราะอำนาจงสัตาความเชื่อมันนั้นนั่นแะท่านที่หลุดจากเตยามสละหีาที่มีคุณค่าทั้งในบ้านนอกบ้าน ท้งชีวิติตใจเพื่อเป็นของมีคุณค่าอยู่ทั้งตนและก้าวของมาถึดสถานที่นี้นว่าเป็นทุกขละเพื่อเป็นทุกขประท า, าระโดยไม่มีความเสียลายอันใดมาโอกาสที่วาสนาอำนว นั่นเก็ดขึ้นจาความมุ่งมั่นของเราซึ่งมีศรัทธาเป็นรากฐานสำคัญโอกาสลักาสนาค่อยาอันเนืน่อตามบุคคลผู้ประสงค์เป็นหลักที่จะต้องมีโอกาสไปจะต้องมีโอกาสมาจะต้องมีโอกาสทำกุณงามความดีจับต็นการทานข้อสามนักฟังีภาวนาข็อสาม ยอมเปิดช่องเปิดทางให้เราเสมอแต่ถ้าศรัทธาความเชื่อใหม่ไม่ค่อยมีภายในสิตใจเราย่อมไม่สามารถแตะตลาดได้ทุกคุย่ังนั้นทั้งทุกการสิทธปรากฏว่าลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ รากฏเป็นสาวาสาวิกาเป็นผู้ชื่นชื่อด่าตวะก็เนื่องมาจากการสละกำจะอยู่ในฐานะรักตนคนแท้ก็ตามอยู่ในฐานะที่สมมุรณริบูรณ์ด้วยโทสะสมบัติลพลาบรรดาศักดตาเมื่อประทานได้อย่างลงแล้วในหลักแห่งธรรมะคำสอนของพระวิจปุชาอย่างแน่นอน คอยยอมสลักได้เป็นสละกได้เสียทุกทุกิุนบรรดาที่ตนสมมติอันเป็นอุปสรร์รเรื่องข้อสิดของใจมาเป็นเวลานานถึงกับปรากฏเป็นสาวกสามกาอรหรันติ่งที่อยู่อาสวะให้เราทั้งหลายได้กราบว่าอยู่ทุกๆุกวันนี้ล้วนแน้วแต่ทุกการเสียสละกทางนั้นแม้แต่พุทะเจ้าที่จะปรากฏพระองค์เนาศาสกาดาของโลก พอย่อมมาทั้งแต่ภาคเรื่อนันเป็นภาคพื้นของการเสียสละเป็นน้ำหเราจะเห็นได้ในเวลาสุดท้ายที่ท่านเป็นโถยสันดอนไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าทางเสวะพระชาติเป็นโคถยสันดอนจะมีความเสียสละเพียงชาติเดียวเท่านั้นแต่เป็น คุณธรรมที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาประจําสัตนเป็นนิสัยของเสียสละอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่ขันแรกจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดสามารถสเสียได้โดยสี่จะมีคือความเสียสละความเสียสละนี้คือ มูงฐานให้พระพุทธเจ้าเป็ปรากฏเป็นความเป็นผู้วิเศษขึ้นมาเราคู้จะดําเนินตามร่องลอยของพระพุทธเจ้าเนี้ยจะไม่ได้ดําเนินเป็นแบบคริันเดียวกับพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ก็เป็นวิสัยของพุทธบริษัทจะสามารถดําเนินตามสถิตกาลังของตน ผลจะพึงปรากฏก็ต้อมถึงจุดหมายปลายทางคือความค้นคุกเช่นเดียวกันเมื่อเราได้บำเพ็ญให้สมบูรณ์ในบุญตามขั้นของกําลังความสามารถวาสนาของเราแ ล, แลว้วฉะนั้นท่านทังหลายที่ได้กลามาจากสถานที่มีบ้านเมืองของตน ยอมเพลนได้เพียงเสียเี่ยงตุ้ยเพียงตายทุกๆอย่างเพื่องานตลอดเวลาแต่ความเสียง น, นั้นไม่สามารถจะตปอยุ่ใัตรดขั้นกลางแห่งกา ร, าการมาของเราเพราะอำนาจแนหะ่ความเชื่อความเปิดใสเป็นทําที่มีพลังมากกว่าสามารถจะ ปราบปุงอุปสร์ทั้งหลายมาได้การมาก็หนึ่งก็เพื่อการบำเพ็ญทานบารมหนอ่สมบัติหนึ่ท่าของตนมากน้อยให้เร็นมุนทิเรียกว่าปุญญาทิสสอาไว้ในประพฤตธระสฉลาเพื่อเป็นสมบัติภายในของตน ท้องเพื่อจะบำเปงนิีที่ความสะอาดเรียบร้อยภายในใายวิญญาใจของตนให้มีความลังนค้นเป็นกำลังและเพื่อกระเริ่มจิตใจของคนให้กล้าครอบคลความสงบเยือกเย็นมีจิตวิญญาณสะอาดเป็ความสุขความสบายภายในใจ งานการอบรมิีลดูเป็นศีลสำเนินทั้งนักเรียนเนื้อคาราวาเพราะสุดเป็นรากฐานสำคัญของบุคคลและสัตว์แต่ละนายละห ล, ะละายพระพุทธเจ้าถึงตรัสไว้ว่ามนุษย์ติดพังขมาธรรมาณมมุติดฐานมณนมายาทุกทุกสิ่ไม่ว่าทางโลกทางธรรม กับสำเร็จขึ้นด้วยใจเท่านะั้นหากปัจจัยด้วยเไปเสียทั้งโลกกองเสียทางธรรมก็เฉยใจได้ล้นละลายไปเสียโลกกงสิ้นหายธรรมก็เลี้ยวแหละไม่มีชิ้นใดดีเลยภายในบุคคลคนนั้นใจคืณเป็นสี่งสำคัญอย่างยิ่งการที่เราทำคุณงามความดี มีอดัดแปลงกายวาจาใจของตนทุกๆอาการก็เพื่อจะให้เป็นคุณสมบัติของใจได้รับผลประโยชน์เพื่อเ ท, ทิ่มพลนของตนให้มีระดับอันสูงเป็นระดับเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมใจในทางด้านขอวนาหลักของรูพระพุทธศาสนาถีเป็นของจำเป็นอย่างยิ่ง ที่เคล็ดบลิตจะเึ็นผลิตอบรมใจของคนให้รู้รู้ให้ควรจะเห็นอผลแต่การงานทางทางโลกและทางธรรมทุ่มใจได้อบรมพอสมควรเลยจะไปไหนมาไหนจะทำผิดการงานภายนอกภายในย่อมเป็นไปโดยความสม่ำเสมอ มาเป็นใจเทืาาเท่ความเป็ทุกข์็เทียงมีโรกเผล่อันเป็นที่รอดเหลือต่ออันตรายสำหรับยียิการทำใจให้สงบได้เคยอธิบายให้ ท, ท่านฟัง ท, ท, ท, ทราบมาม้างว่าทำอย่างไรใจจึงจะมีความสงบลักษณะของใจก็เช่นเดียวกับการที่ต้องมีที่พื้นที่อยู่อางัย ถ้าอยู่โดดเดี่ยวลำพังตนก็ไม่ได้ที่เรานั่งนี้ก็ต้องอาศัยศาลาเป็นที่หนักเรานอนก็ต้องอาศัยที่นอนลรายึงก็ต้องอาศัยที่อย่างใดแหงนึ่ร่างกายต้องอาศัยทุกๆอย่างตามการเวลาทั้งตนที่เห็นว่าจํำเป็น ถ้า ม, มีอาศัยรนะ่างกายก็อยู่ไม่ได้ตลอดถึงอาหารการบริโภคเครื่องใช้เพื่อกายในนี้เป็นที่อาศัยของกายกายจะอยู่เด็ดเดียวไม่นานลักษณะของใจก็ต้องมีอารมณ์เป็นที่อาศัยอารมณ์ของใจนั้นมีสองประเภทอารมณ์ที่เป็นใจกวทำ หลงังแชร์จิตใจให้รับความผอนหรือเล็ ด, ดน้อมก็มอารมณ์จี่เป็นไปก็จะยังใจให้สงบเยือกเกออย็นกลในหลักแห่งพระพุทธศาสนามุ่งถึงอารมณ์ที่จะเป็นไปก็ความสงบเยือกเกออย็นภายในใจเพราะนั้นท่านจึงมีบทธรรมจนที่พื้นคุณข อ, องใจที่เราทั้งหลายก็เคยได้เรียนและปฏิบัติมาพอสมควร เป็นคำว่าพุกโธหรืออนาปานะก็ติดเป็นต้นนี้คืออะไรสำหรับเป็นที่ยึดเหนี่ยวของใจเมื่อใจเรืยมีการยึดเหนี่ยวมีสติรักษาใจให้ดีกดับบทธรรมนั้นๆที่ว่าเป็นผู้ไม่ปราศจากที่คืบเมื่อใจไม่ได้ปราศจากที่คืบใจก็ย่อมไม่ว้าเหว่ มีความสะดวกภายในใจมีความเยือกเย็นมีความสงบมีความสุขปรากขึ้นแต่การสุกสนอบรมจิกใจ น, จนี้โลกถือว่าเป็นของยากสําสหรับผู้ที่มีความเข้าใจในด้านธรรมะตั้งนี้ แต่ผู้ไม่เข้าใจในด้านด้านธรรมะเลยนะั้นเขาถือว่าการหลัดแจงหรืออบรมจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ไร้ผลและเป็นธรรมลึล้นลาสมัยเพราะฉะนั้นโลกที่ไม่มีธรรมเป็นเครื่องทมกับใจยึงกลายเป็นโลกที่เลยสมัยไปธรรมที่ว่าทรรสมัยเลยไนมะ่ปรากฏกับโลกจุดใดๆเ หากไม่มีธรรมเป็นเครื่องรักษาแล้วไม่ว่าโลกไหนไม่ว่าโลกมนุษย์ไม่ไม่ว่าโลกสัพท์ไม่ว่าโลกไห น, ไ, น ไ, ไ, ไ, ไห น, ไหนทั้งนั้นจะเป็นโลกที่เลยสมัยกลายเป็นโลกที่เหลวเหลือเลือดร้อนภายในัวนี้แต่ผู้มีธรรมเป็นเครื่องอบรมจิตใจให้รู้ว่าใจเป็นสมบัติอมีค่าของตน และพยายามระมัดระวังรักษาจิตใจซึ่งเป็นของมีคุณค่าให้ทรงตัวอยู่ได้ด้วยความปกติปกตผู้นั้นจะเป็นผู้ทันสมัยเพราะคำวมาทันสมัยนั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมความเหมาะสมนั้นจะเกิดขึ้นมาจากเหตุที่ควรถ้าหากเหตุไม่ควรแต่การเหมาะสมแล้ว คู่นั้นจะกล้าถึงทำรรที่ทันสมัยหรือโลกที่ทันสมัยไปไม่ได้เลยคำว่าทันสมัยนั้นถ้าเทียบในหลักธรรมมาแล้วแปล ว, ว่ามาัธยมาคือสูนกลางที่เหมาะสมที่สุดมีการอบรมจิตใจสําหรับคู่เข้าใจในด้านธรรมะและได้เคยอบรมจิตใจทั้งฝนมาบ้างแล้วจะรู้จักทุกธีปฏิบัติอบรมจิตใจ ให้เข้าสู่ระดับที่จะทรงตัวเพื่อเป็นความสงบสุนและสามารถจะทำจิตใจของตนให้มีระดับอันสูงขึ้นไปเป็นน้ำนัได้ไม่เหมือนอย่างผูไมายีธรรมเป็นเครื่องรักษาใจกลายเป็นโลกที่เลยสมัยไปเลยฉะนั้นการอบรมใจจึงเป็น จุดจำเป็นและสำคัญย่งสำหรับเราเพ้มีความเจริญทั้งทางโลกและทงางธรรมแต่พาะอย่างยิ่งภูมมุ่งต่อทางธรรมแล้วควรจะอบรมจิตใจของตนให้ปรากฏเป็นความสงบเยือกเย็นและมีความเฉรีฉลาดรอบรู้สิ่งต่างๆที่จะเกี่ยวข้องกับใจไปเป็นระยะ นั่นแหละที่ว่าเป็นผู้จะรักษาตนให้ปลอดภัยไปได้ผู้ปฏิบัติกรรมฐานเป็นผู้มุ่งทางก้าวหน้าโดยถ่ายเดียวเรื่องของสติกับเรื่องของปัญญาที่จะพยายามรักษาจิตใจยิ่งเป็นของจาเป็นมากขึ้นใดไม่ใช่จะมีความโง่อยู่ตลอดเวลาและไม่ใช่จะทรงความรู้ไว้ในระดับเดียวเท่านั้น ยังสามารถจะทำความรู้นั้นให้ลดหย่อนหรือเพิ่มความรู้ความสลาดขึ้นไปได้เพราะอำนาจแห่งการผุกนลมดัดแปลงตัวเองเช่นเดียวกับมีดราที่เรานำออกมาจากในช่างที่เขาเข็นเขาคุกต่อยดีแล้วแม้จะมองเห็นคมว่ามีดนี้เป็นมีดที่มีคมอยู่แล้วโดวยมีกวราตา แต่เมื่อมารับถูงเท่าอีกมีดนั้นก็จะยิ่งเพิ่มความคมเท่าไปจนลักษณะของใจเมื่อได้รับการอบรมฝึกฝนซึ่งเช่นเทียบกับยึดแล้วย่อมจะมีความแ่เหลียวฉลียรอบตัวขึ้นเป็นระยะระยะระยะจนสามารถจะรู้เห็นสิ่งที่เป็นภัยแใ่ตัวเองทุกสิ่งเมือ่อใจไม่มีความฉลียวรอบขอบ อาจเป็นภัยต่อสิตใจสำหรับนักปฏิบัตินะแต่เมื่อเรามีความระมัดระวังรักษาอยู่ร่มรู้วิถีของจิตใจว่าจะขยับตัวหรือก็เเรื่องตัวออกไปในทางที่ผิดหรือถูกมากน้อยได้เป็ น, นำลำดับไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่สามารถรือกงจากคือวัตะ ที่พระองค์เคยหมุนเยียนเกิดเยี่ยนตายนี้ให้หมดยิ้นไปจากพระไถ่ได้เลยเรื่องความเกิดความตายนี้เป็นประโยชน์อันใหญ่ยิ่งสําหรับจับโลกผู้เ่องเที่ยวอยู่ในวัะตระไม่ว่าจับไม่ว่าบุคคลในถามพบคือการมาพบรูปปรพบรูปปพบนี้เรื่องความเกิดความตายเป็นของสําคัญอีกท เวลานี้เราทุกท่านได้ก้าวเข้ามาสู่สนามแห่งความเกิดตายจงเป็นผู้พีนิตพิจารณาเรื่องแถวดวูไทยสมอนระูกที่เราจะลดกับความเกิดตายหรือจะที่คลายดูเรื่องความเกิดตายซึ่งฝังอยู่กับตัวของเราและมีอยู่กับตัวของเราทุกวันนี้ให้แค่จากแจ้งขึ้นภายในผู้ที่เคย เป็ น, นำลำดับเรื่องการเกิดเรามองเห็นแต่รูปร่าง ก, ากลางตัวที่ประชุมด้วยธาตุดินน้ำลมไฟใจแม้จะมีความรู้สึกเข้ามาเป็นเจ้าการอยู่ภายในร่างกายแต่เราก็ไม่สามารถจะทราบได้ว่าเป็นชนิดใดเพราะฉะนั้นโลกทั้งหลายจึงมีความสงสัยมากนะักในเรื่องการเกิดตาย บางลายถึงกับว่าตายแล้วไม่มีอัะไรจะเหลือหรออีกเรามาติดปัญหาของเราเราก็คิดปัญหาเฉลย เ, เปิดเปิลไปจากจุดของปัญหาที่แค่สี่สี่ตัวเท่านั้ึงคว้าแต่น้ําเหลวเมื่อได้มาก็เป็นเรื่องกองทุกข์คือเรื่องเกิดเรื่องตายเช่นนี้ ไม่ทราบว่าทีชาติที่พบระจบสิ้นลงได้จากปัญหาคือการเสียตายการเสียตายทันเวลาเป็นทายของสัตว์อย่างสำหรับนักประดิษฐ์พุทธเจ้าเป็นต้นแต่สัตว์ทั้งหลายมีความยืนเย้อเปลี่ยนสเวลาปรากฏลูกต่างกลางตัวของหญิงตายลูกเจ้าเหล่าคอที่ปรากฏตัวขึ้นมามีความ <c oughs> เกิดการแต่เมื่อสิ่งเหล่านี้ได้สลายตัวลงไปจนถึงกับขั้นที่ว่าตายแล้วเกิดความเสียใจนะเรื่องความเสียใจเกิดขึ้นมาจากความเพลิดเพนความพออบพอใจในการเกิดแต่ไม่พอใจในการตายนี่มันจึงขัดแย้งกันมาเรื่องทั้งสองนี้ขัดแยง้งจึงออกจากใจดวงเดียวแล้วใจดวงนี้จึงไม่มีใจจะรับถาระแส ตนของตนต้องรับภาระในกองทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมาเพราะเกิดแ่นความไม่รอบคอบเรื่องการเกิดการตายของตนและของผู้เกี่ยวข้องกับตนฉะนั้นนะักปฏิบัติควรจะรู้เรื่องหรือควรจะปฏิบัติให้รู้เรื่องเรื่องสาเหตุแห่งการเกิดการตายอันเป็นบอกทุกประจําอยู่กับเราทุกขักก้นให้เปลี่ยนแท้งเกิดเป็นนันดับด้วยข้อปฏิบัติคือสิงหสมาธิปัญญา อุบายวิธีที่พระพุทธเจา้าสอนทุกๆระยะหรือทุกๆกรณีในบรรดาพระธรรมทั้งหลาย 8, 000, 000, แปดหม่สีพันพระธรรมคำลวนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายวิธีที่จะให้เราลำมาคลี่คลายดูเรื่องปมของกองทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นวิธีอืนน่นใดมีการให้สั่งสมทุกเป็นโทษ พระพุทธเจ้าไม่เคยสัจคือกองท่านกล่าวว่าอริยสัจสีก็ดีสติปัฏฐานสีก็ดีมีความจําเป็นแค่ไหนสําหรับพระพุทธเจ้าเห็นความจําเป็นในอริยสัจสีและสติปัฏฐานมาเป็นพระทัยรู้จกคนจะติ ถ้าเกิดจะตายอยู่ตลอดขับตลอดกันก็เพราะเรื่องของอริยสัจสิเรื่องสติสถานสผู้จะก้าวพ้นจากเรื่องการเกิดการตายเสียได้ก็เพราะอาริยสัจสิสำหรับพระพุทธเจ้านั้นติดก็ติดเพราะอาริยสัจติเพราะสติสถานติเกิดตายข้อตายคนนพวกเราทั้งหลายก็เกิดตายเพราะเรื่องนี้ แต่พระพุทธเจ้ากับพิจารณาที่สายลุกสัจธรรมและสตปัญญาสิงให้พัดเยือกประทัดยืดเมื่อพระประพระปีศาความสามสารถฉลาดรอกรู้จนยกพระพุทธเจ้าือยกพระองค์ให้พ้นจากเรื่องเกิดตายไปฉะนั้นการพิจารณากว้างแค่ โดยวิธีของแต่ละท่านละครับก็เพื่อจะรู้ที่ซ่อนเล่นของติดใจที่ไปแอบแฝงหรือซุนซ่าอยู่ในสิ่งต่างๆภายนอกก็มีลูกลูกทั่วทั้งวินแดนเสียงกลิ่นรสเครื่องสำปะในอยู่ทุกแสง่งทุกคน ตนก้าวไปที่ไหนสิ่งเหล่านี้จะต้องสัมผัสมาทางตาหูจมูออกลิ้นกายใจทุกๆขณะที่ก้าวไปไม่ว่าก้าวไปด้วยการไม่ว่าก้าวไปด้วยการกระเพื่อมของใจจะสัมผัสกับสิ่งทั้งหลายที่มีในโลกนี้อย่างสมบูรณ์ทุกๆเว ล, ลาการทุเจนาสภาพทั้งหลายมีรูปเสียงสิ่งนั้เป็นต้นเพื่อทันยา พอเพื่อจะได้ที่คลายดูสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นที่แทรกสิ่งของไตหรือเป็นที่ซ่อนเลนของตัตเป็นที่แฝงลิกนยิบเหียวของอุป า, ธาทธ์ให้ได้ถอนตัวออกมาเป็นลำดับเด่ น, นเดียวกับคนยิบน้ำเพื่อจะเอาปลามาทำาระโยชนน้ำลึกน้ำกว้างต้องอาศัยการ เมื่อเราต้องการปลาดูกราป๋าจนกว่าว่นน้ำนั้นจะแห้งลงเป็นลำหนักๆจนปรากดตัวปลาชัดๆเพราะเมื่อน้ำมากปลาเนี้ยจะมีมากย่อมไม่ปลากดตัวขึ้นเะนั้นการวิทน้ำจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ต้องการปลาจะต้องพยายามวิท์ออกให้จนหมดทิ ปลามีเท่าไรซุ่มซ่อนอยู่ในสถานที่ใะจะแสดงตัวให้เห็นชัดเป็นลนำดับเมื่อ น, น้ำมันเหือดแห้งลงไปเสียจริงๆปลาไม่มีที่อาศัยเพาวิ่งเข้ารวมกันจากนั้นก็จะซุ่มซ่อนตามรมตามโทนถึงจะซุ่มซ่อนที่ไหนไหนก็พ้นจากสายตาของเทาปูวิตยน้ำจะต้อง คนพบคนเจอไปเสียสามารถจะเอากานั้นได้หมดทุก ๆ, ๆ, ๆ, ๆเมื่อน้ำหมดแค่งไปลักษณะแห่งกุบายวิธีทิจรนาของโยคาวาจรไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่านักบวชชาว่าทุจรนาในสภาวาัธรรมทั้งหลายมีรูปเสียงเป็นต้นให้ชัดเจนแจ้งด้วยสติปัญญาของตนเอง เราจะเห็นตัวปลาทึ่เป็นสิ่งที่หยาบชาได้แระแสของใจที่ไปซุ่มซ่อนอยู่ในสภาวะอันตราพร้อมทั้งเราเห็นเรื่องของสภาวะนั้นโดยทางตันยากระแสของจิตก็จะตล่อมเข้ามาสู่ที่ซุ่มต่ อ, ตอเช่นเดียวกับเมื่อน้ำเริ่มแท้งลงปลาก็จะต้องลวมตัวเข้ามา มีมากหรือน้อยจะรวมกันเข้ามาลักษณะแห่งการพัรนาภายนอกก็เพื่อจะทำความกว้างนั้นให้มีวงแควสสำหรับที่ส่วนซ้อนของใจเข้ามาเป็นนันถ้าโลกว้างถาลายใจก็กว้างเท่านั้นความรู้ครอบโลกกระพริบเรื่องสัญญาทำ จำความหมายสังขารความคิดความปรุงประจามโล ก, กรรประจานสารอุปทานความยึดมั่นหรือมั่นของใจจึงมีไม่มีขอบเขตหรือไปได้หมดลึกลับอะไรการพัฒนาสีสาประทานว่าทั้งหลายโดยความเป็นอนิจจสุขะ อ, อ า, ศ า, ศาปจาจับกับใจแล้วจึงเป็นเพศะสะพรั่งกระแสของใจที่ไปสำคัญมั่นหมายหรือยึดมั่นถี่มั่นในสิตนั่นให้สกดตัวเข้ามาสู่วงไพ่ไหลที่เรียกว่าน้ําก็ เริ่มนื้อแหงเข้ามาปลาก็เริ่มรวมตัวเข้ามาคือกระแสะของใจที่ต้านอยู่ทุกแห่งทุกผลความแคบก็จะเริ่มรวมตัวเข้ามาสู่จุดอันใดได้แต่จุดของใจที่แสบจุดการตุยน า, นาการยาปฏิปัฏฐานทิตุทุก <c oughs> สมุทัยภายในใจภายในใจก็แสดงว่าเราวิทย์น้ำออกจากที่เป็นกนของใจอีกเป็นท่าน ที่จากภายนอกเข้ามาที่ภายในพิจารณาส่วนไหนก็เห็นตั้งแต่เรื่องของอนิจจังทั้งนั้นในร่างกายทุกส่วนคุกชิ้นไม่ว่าภายนอกภายในทั้งบนทั้งล่างกว้างแคบ เ, เป็นไปด้วยอนิจจังมีความแปรสภาพทุกครั้ง เ, เป็นไปด้วยทุกฐ์ทั่วทั้งสตุลกายและจิตจอนัตตาไม่เคย ได้เป็นเบาของใครทางไหนแต่เป็นสภาพความจริงของเขาจะต้องก้าวไปสู่ตามพัตติธรรมนาของสด น, นี่ทันเรียดว่าอนาาัตตาไม่ขึ้นอยู่กับคําว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าใครใครทางนั้นและว่าของใครทางนั้นเมื่อการพิจารณาโดยทางใจ ร, รักเห็นประจักษ์ในส่วนแห่งจตุนาักายของเราทุกที อย่างนี้แล้วคำว่าเราก็ดีคำว่าของเราก็ดีจะมีกำลังกล้าสามารถยิ่งเหนียวไปได้อย่างไรก็ต้องกดตัวเข้ามาเหมือนกับปลาที่กะล่อมตัวเข้ามากระแสะของใจก็กะล่อมตนเองเข้ามาเช่นนี้นี่เป็นเพียงน้ำ เมื่อาาทุเจนาส่วนภายนอกก็เห็นชัดโดยทางปัญญาทุเจนาเข้ามาในส่วนร่างกายก็เห็นชัดโดยทางสัญญาว่าอันิจ้ังทุกขังอต า, าคือสภาพแห่งร่างกายเหล่านี้ไม่ใช่สภาพที่ใสในเรื่องของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณ แม้จะไม่มองเห็นด้วยตาเ น, นื้อแต่ก็รู้อยู่ด้วยจัดไม่ปิดบังทา ง, ทงความรู้ไดยก็จะสามารถสามารถรู้เรื่องของสิ่งเหล่านี้ได้เช่นเดียวกับส่วนที่เป็นด้านลับเรื่องกระแสของมัตตะที่เคยเช้นั่านทุกแห่งทุกฝุ่ก็จะหดตัวเข้ามาหดออกจาก รูปเคียงสิ่งลดเครื่องสัมผัสหดออกจากรูปกายทั้งหมดที่มีในตัวของเรา ห, หดเข้ามาจากเวทนาสัญญาสั้งขานอิน ญ, ญาเพราะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสภาพเสมอกันไม่ว่าด้านวัตถุธรรมและนาม ม, ามีสภาพแปรสภาพคือเป็นไรลักเสมอกันแสดงว่าน้ำกําลัง แห่งลงไปจนหมดด้วยอำนาจแห่งการยึดถืการพิจารณาของเราเราก็ยิง่งจะเห็นกระแสะของมัตต์พุทธไปหมุนเวียนตัวเองมาขีดกลับขีกันจนปรากฏผลเป็นเรื่องเสื่อตายประจักรกโปของเราซึ่งจับปฏิเสธกันไม่ได้ในี่แต่ไหลชัดเจนยิ่งๆเื่อน้ําแห้งไปหมดจริงๆเหลือแต่ตมแต่โสนรลาไม่มีที่อาศัยก็วิ่ง ซุ้มซ่อนอยู่ตามตมตามขกผู้ต่องการตาซึ่งวิดน้ำเมื่อแท่งไปหมดแล้วก็คุ้ยเกี่ยในตมในขดตามีเท่าไรก็เจ็บโอได้หมดกระแสะของใจซึ่งเกียดเหมือนกับตานี้ได้แต่ก่อนได้ซุ้มซ่อนตาตามสภาวะธรรมดังที่กล่าวดังเมื่อได้ถูกวิดด้วยปัญญาด้วยสติกวิ่งเข้าสู่ ที่สุ่ม้อทางของปลาที่เป็นส่วนภายในได้เจอรูปเสียงถึงรถเคลื่อนซ้นัๆคี่จะมาสัมผัสกับตาหูสมุดรื่นกายยนเข้ามาภายในคือกายทุกส่วนเวทนาสัญญาสังขารยินดา นี่เป็นทางท่องเที่ยวของมัดปากคือกระแสของใจเมื่อสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกพิจารณาคลี่คายจนเห็นชัดแยมแย้ง เ, เข้าไปแล้วปลาเขามีทางเลยปลาปากปสิ่งที่จะทจําใจให้หมดวิ่งเข้าสู่ตมสุโตนได้แจกกระแสของใจทั้งหมดได้รวมตัวเข้าไปสู่จุดผู้รู้แห่งเรื่องนั่นคือตมคือโคนอันละเอยียดอี้ ทติกับปัญญาก็ค้นคว้าคุย้ยเกี่ยวลงไปในที่นั้นดีปลาเข้าไปขึ้นก่อนอยู่จนสามารถจับปลาตัวที่เป็นวัตตะนั่นละ่ะด้วยอำนาจของปัญญาอยู่ในตมในตุกได้แต่อวิชชาเลยยนะเมื่อปัญญาได้พิจารณาถึงหนกฐานแห่งวัตตะที่แท้จริงชัดเจนแจ่มแจ้ง สิ่งนั้นก็ถูกทำลายด้วยสติปัญญาหลายตัวลงเรื่องวัตตะคือความมุเนเย็นจนเป็นผลปรากฏกอับมาว่าเป็นการเกิดการตายนั้นจะหมดสิ้นใจสิ้นลงหน้าโดยสึ้นเชิงเพราะอำนาจแห่สงสติปัญญาที่เด็ทำลายตัววิชให้สิ้นสุดลงนี่วัตตะของท่านกอดีของเราคน จะยึดติดหรือขึ้นตุกกันลงได้ที่จุดนี้เช่นเดียวกับเราจับปลาจะขึ้นติดกันลงได้ต่อเมื่อได้ยิดน้ำแห้งหมดแล้วได้ฟู้เียจับเอาปลาในตกใงโถนจนไม่มีอะไรเลยนั่นแหละเป็นที่หมดปัญหาของชาวประมงผู้เก็บปลาการพิจารณาของนักปฏิบัติ ทุกๆ ก, กรณีตั้งแต่ต้นจนถึงจุดตันสุดท้ายตามที่กาวมันตลอดได้ทำลายปมของวัตจักรได้เจวิญชาซึ่งเป็นที่รวมของกระแสของวัตถรให้จุดสุดลงไปเลยแล้วนั่นแหละเป็นจุดสุดท้ายของนักปฏิบัติที่ด้ทำลายวัตถของตัวเองให้จิดสุดลไป ไม่มีอัะไรก็เหลืออีกมีแต่ชื่อว่าเป็นผู้แก้ปมวัฏฏะชื่อว่าเป็นผู้ตัดความสงสัยในวัตฏะคือความเกิดตายทั้งหมดเป็นผู้ที่สงสัยในเรื่องกามเกิดตายใดรีด่เพราะเป็นผู้แก่ใดทีด่ถ้าได้พ้นจากจุดที่ว่านี้แล้วใช้จะปฏิเสธว่าวัตฏะไม่มีใช้จะ เข้าใจว่าโลกนี้ตายแล้วเกิดอีกหลายระดับบางอย่างทำอุตตรเรื่องของวัตตะคือการเกิดตายของแต่ละบุคคล น, นั้นและแต่ละระดับนั้นจะไม่ขึ้นอยู่กับใครๆทางนั้นหากว่าวัตตะคือการเกิดตายนี้ได้ขึ้นถูงไปเพราะอานาจแห่งการกล่าวหาของบุคคลและดับแล้วตายวัตตะจะไม่ทําหน้าที่กับโลกคือการเกิดตายนี้ ให้มีความยืดยาวมาจนกระทั่งถึงวันนี้และต่อไปได้เลยทั้งนี้ก็เพราะวัตะไม่ขึ้อนอยู่การกับการตั้งมทติชมของไทยการเชื่อหรือไม่เชื่อว่าวัดตะมีหรือไม่มีของไทยแต่เป็นสิ่งที่จะทําหน้าที่ไปตามปัจจัยของตนที่มีอยู่มากน้อยเมื่อหมดปัจจัยแล้วก็ไม่มีอะไรหนีเรื่องวัดตะก็เป็นอันว่า ย, ยเดถือ ใครจะให้นมามวัตตะยังอยู่หรือวัตตะที่สูงหนึ่งก็แล้วมัตตะก็ม่มีวิยัยนะเช่นเดียวกับกับไม่ฟังกับวัตตะไม่ฟังในคำธรรมที่จบของฉันนี่หลักแห่งพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าสอนสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อจะทำที่สุดของลูกของคนให้ที่สุดหนึ่ง ต้องทําวิธีนี้และสิ้นสุดลงราษฎรจักใจของสดในจุกนี้เท่านั้นไม่มีที่ไหนเป็นที่อยู่ของวาตาัตถะไม่มีที่ไหนเป็นที่เกิตายของโลกนอกจากเรื่องของใจกับธาตุขันตประสารทางเข้าเพราะอํานาจของอวิชชาเป็นตัวหนึ่งเท่านั้นขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายทรงทำความสนใจในวัตถะซึ่อยู่กับเราทุกที่พยายามแก้ไข ที่กายลูกกลมของวัตถะของโศนี้ให้ได้จากเรื่องเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านได้ทําลายเพราะอํานาจแห่งการที่กายโดยทิศถึงกับาสากฏเป็นาศาสนาของโลกให้เราทั้งหลายได้กลาบมาที่ถึงนขนข้อทรงดําเนิ น, นด้วยวิถีนั่นเองเราผููดําเนินไปตามแถวทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงดาเนินแต่แล้วจะไม่ถึงจุดนั้นและจัดไปที่ทิศเพราะทางเป็นทางอันเดียว อริยสัจค ท, ทุกขสมูลทาิโลกนักเป็นอันเดียวครับและจิตประธานกอเป็นอันเดียวกันผู้ดำเนิ น, นดำเนินไปในทางสายเดียวกันและจิตประธาด้วยครอบปฏิบัติในธรรมของสุติกข์เสื่อ